129. รยรู้กายจึงจะทำความสงบระงับที่สัมมาทิฏฐิได้หรือแม้แต่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าอาการของกายอย่างนี้คือรูปรู้จักรู้แจ้งรู้จริงอาการของกายอย่างนี้คือนามคนผู้นี้ก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า นามกายคืออย่างไรและรูปกายคืออย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้สามารถแยกรูปแยกนามได้จริงแล้วไปทำความรู้จากรู้แจ้งรู้จริงกายทั้งปวงสัพพกายะปฏิสังเวทีได้สำเร็จปฏิบัติกายสังขารให้สงบระงับปัฏสัมภยังกายสังขารางัง คือทำองค์ประชุมของรูปกับนามให้สงบระงับจากกิเลสมีผลแท้จริงพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ288อานาปานาสติสูตรการปฏิบัติให้ได้ความสงบของกายสังขารและจิตสังขารในอานาปานาสติสูตรจึงไม่ใช่หมายถึงการทำความสงบเฉพาะแต่ ทำจิตในจิตเท่านั้นโดยไม่เกี่ยวกับกายในกายและกายภายนอกแต่จริงๆแล้วขาดภายนอกไม่ได้เลยถ้าขาดกายภายนอกไม่ชื่อว่ากายและขาดจิตภายในก็ไม่ชื่อว่ากายด้วยต้องมีทั้งกายมีทั้งจิตที่สามารถรับรู้อยู่พร้อมครบทุกผัสสะหกอายตนะหกนั่นแหละ จึงมีความเป็นกายที่บริบูรณ์กายสังขารสงบนั้นไม่ใช่หมายถึงร่างภายนอกปวงเล็บสริระแค่นั้นสงบแต่หมายถึงกิเลส ท, ที่ร่วมประชุมปรุงแต่งรูปด้วยปรุงแต่งนามของตนอยู่ในขณะนั้นด้วยตังหากที่สงบระ ง, งับลงรูปก็สงบนามก็สงบเพราะถูกผู้ปฏิบัติกรรมจัดกิเลสได้อย่างสามาทิฏฐิ กายสังขารสงบไม่ใช่หมายถึงร่างกายภายนอกนิ่งร่างนอกไม่กระดุกกระดิกแข็งทื่อดีไม่ดีเจ็บก็ไม่ได้ปวดก็ไม่ได้คือสงบ